ก็ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านทุกฝั่งทั้งหาลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอสติปัฏฐานสูตรในช่วงที่ว่าด้วยนิวรณ์วันก่อนก็ได้พูดเนืเรื่องนิวรณ์มาสองข้อคือการมาฉันกับพยาบาทแต่แน่นอนชื่อกี่เลยเหล่านี้เราก็เจอไปเรื่อยๆนะ แในข้อต่อไปนั้นเป็นนิวรณ์ที่เรียกว่าทีนมิธะถีนาตัวหนึ่งนะมิธะตัวหนึ่งเป็นอาการว่าเหงาเหานอนซึ่งซึม ง, งอยเหงาหดหูเคลอบเคริมจุดชื้นชาเย็นเหนื่อยหน่ายท้อถอยเซ่งหมดอะไรตดอ ย, ยากมันก็เป็นอาการที่ค่อนข้างกัดกร่อนกัดกร่อนจิตใจของบุคคลมีลักษณะซึมเศร้านะงอยเหงาซึมเศร้า บางครั้งบางคราวเดียวว่ามันหมดเรี่ยวแรงมันมีอาการอย่างหนึ่งของโรคเคยมีคนเคยเล่าให้ฟังแล้วก็เคยอ่านพบเอกสารของของจีนที่เขาแปลผู้ท่านเรียกไปโรคเฉาตายเป็นลักษณะของจิตที่หดถูท้อถอยเหนื่อยหน่าย แล้วก็ทอดอะไรแต่ออยากอะ่ะไม่พร้อมที่จะสู้กับชีวิตอย่างนี้พระรูปหนึ่งท่านสมัยพุทธกาลนะท่านตองอปัตตองอัตไปบ่อยท่านก็เซ็งนะฮะแก้ไม่ตกคุมตัวเองไม่ได้หมดอะไรตาออยากก็คิดจะสึกละก็พอดีไปมองเห็นเกวียนโคที่ลากเกวียน มันลากขึ้นที่สูงแขกราทุกเวียนเนี่ยมันทารุณมากหนักเกินกำลังของโคที่จะลากมันก็เตีมันเรื่อยโคก็ลากขึ้นแล้วก็ถอยลากขึ้นแล้วก็ถอยแกก็ดิน้นจนขึ้นไม่ได้มันกระตุ้นให้พิกษุเกิดความคิดที่จะต่อสู้กับชีวิตได้ต่อสู้กับ ป, ปัญหาภาษคให้ได้โพรโค ข, ขนาดโคไม่อยอมทาได้ แล้วก็ในที่สุดท่านก็เอาชนะใจตัวเองได้ก็บรรลุมรรคผลไปได้ทีนี้ทีนมิตะก็ทรงสอนว่าโครงสร้างเดียวกันพวกนี้จะโครงสร้างเดียวกันทั้งหมดนะแต่ว่าเปลี่ยนตัวกิเลสนิวรนี่เปลี่ยนไปก็อย่างที่บอกว่าเวลาเกิดภายในจิตของคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแหละแม้ในขณะเดียวกันคนนั่งเดียกันให้ถ้าถ้าดูจิตถามเบเนี่ยคุณคิดยังไง แม้แต่ภาเพเหตุการณ์ต่างๆหรือข่าวสารต่างๆพอถามว่าคุณคิดยังไงเนี่ยต่างกันแล้วในรองสแสดงความเห็นในเรื่องนี้จะเห็นแตกต่างมันมันมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของคนถ้าก็สอนว่าเ ม, มื่อฉีน้ำมิทะามีอยู่นาภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่า ทีน่ามิท่ามีอยู่นาภายในจิตของเราก็อาการขถงทีนมิท่าก็ดังกล่าวทีนี้หรือเมื่อิีนามิทะไม่มีอยู่นาภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าทีน้ามิท่าไม่มีอยู่นาภายในจิตของเราเป็นการมองก็หาตัวเองนะฮะเป็นสอนมองให้หาตัวเองเข้าหาตัวเอง้วแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวของตัวเอง แต่ต้องชัดเจนต้องต้องไม่หลอกตัวเองดูจิตได้ชัดเจนว่าจิตเราเป็นยังไงแ ต, แต่ถ้าหากว่ามีทีนัพิทัคือคือพระเจ้าทรงอุปมาให้ดูเป็นตัวอย่างลักษณะของกามาฉันเนี่ยมันจะเหมือนกับคนที่ตกเป็นหนี้คนอื่นและสภาวะทางจิตเนี่ยมันจะเหมือนกับน้ําที่เจือดีสีปนเขลเป็น สีสีมันเยอะมากอันั้นก็ชอบไปนี่ก็ชอบไปนั่นก็ชอบบุนแบบมันได้คิดด้วยทีนี้พยาบาทเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนคนที่เป็นโรคโรคไัยไข้เจ็บเปลี่ยนวันสภาวะทางจิตมันเหมือนกันน้ําเดือดภาวะทางจิตเหมือนกันน้าเดือดทีนี้บทีน้มิถานเนี่ยมันในชาติมันเหมือนกับจอกแหนมันเหมือนกันน้ําที่อยู่ในจอกแหนเนี่ยมันมีจอกแหน่เต็มน้ําแล้วก็คน บักน้ำเพื่อจะส่องดูเงาหน้าหรือจะจะดื่มเนี่ยประเดี๋ยวไอ้จอกแหนมจะหุกเข้ามาเพราะจิต ม, มันจะไม่ตั้งเป็นหลักคือฟังอะไรก็ฟังไม่ได้นานแวะไปแวะมาไปเรื่อยๆมันซึมๆไปเพราะก็เหมือนกับคนที่ตกเป็นทาสของคนอื่นนะจะสูญเสียความเป็นดวงตัวเอง มันก็แล้วแต่นายจะบังคับใช้ทํานั้นทนํานี้ทำโน้นก็ไปเรื่อยๆครัก็ดูจิตว่าจิตไปอย่างเงี้ยมันกเกรียกว่าลีนะจิตตะคือจิตมันหดหูมันก็ต้องอาศัยเหตุอาจจะหลายๆอย่างหรือยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องชัดเจนนะว่ามันจิตที่หดหูนี่มามาจากไหนมาจากการเก็บกดสะสมปัญหาอะไรต่างๆเอาไว้ แล้วหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ในะที่สุดพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะหมดอะไรแต่อยากถ้าเราเทียบคล้ายๆกับคนไปอยู่ในห้องที่ถูกขังเอาไว้เนี่ยแต่พยายามหาทางออกมันไม่มีทางออกพอถึงจุดหนึ่งมันก็หมดอะไรแต่อยากที่จะต่อสู้ที่จะขัดขืนที่จะเอาชนะต่อปัญหาวัสดุเหล่านั้นเพราะถ้า มันมีอยู่ก็ต้องชัดเจนแล้วก็เพียรพยายามวมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากจิตที่หดหู่เวทีจิตที่หดหู่ก็ต้องพยายามใช้ที่จิตในตรงกันข้ามคือจิตจติกรหาหันจิตติกราหันก็คือจิตที่มีความเพียรครีบปรักกระมะคือความบากบันวายามะคือความพยายามดันหะปรกรมะความบากบันที่มั่นคงต่อเนื่อง มันก็คล้ายๆกับเราเรามีปัญหาอะไรแล้วเอางานมาทํานะางานมาทําหรือว่าบริหารร่างกายหรือว่าลุกขึ้นวิ่งอะไรต่ออะไรบริหารร่างกายใช่ไหมกคือทําร่างกายพร้อมใช่ไหมกเดี๋ยวไปใส่ใจสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะเอางานหนักๆมาทําก็ได้อาจจะกวาดขยะอาจจะถูพื้นอาจจะทําอะไรไปเพื่ปลุก ประสาทในส่วนต่างๆของร่างกายให้มันตื่นตัวขึ้นจนถึงกระดิมไอ้คิดเรื่องใหม่ๆขึ้นมาพยายามหาเรื่องมาคิดแล้วก็พอเจอปัญหาภาษสา ก, ก็ต้องหาทางออกให้แก่ตัวเองคิดไปเรื่อยแต่สรุปว่าเราจะเห็นว่าก็เอาธรรมะหลักแหะธรรมะคือสติสัมปชัญะไอ้ตัวนี้เอาวิริยะเข้ามา ตัววิญญาณซึ่งเป็นตัวพลังกับเคลื่อนเนี่ยเอามาใช้ต่อสู้กับทีนมิทะาทีนี้กการส ง, งบทีนั่มิทะาเนี่ยเราส ง, งบได้ชั่วคราวโดยวิธีการต่างๆนะฮะดยวิธีการต่างๆอย่างเช่นอาบนา้าอย่างเช่นบริหารร่างกายเช่นเดินจงกรมนะเช่นว่าสวดสายายสวดมนต์ดังๆอะไรแต่ใก็ทาได้แต่นั้นแหละแต่ว่าร่างกายเนี่ยยังไงมันก็ต้องนอน ถึงจุดหนึ่งก็ต้องนอนเพียงแต่ว่าใช้เวลาด้วยความตื่นตัวที่เรียกว่าชากริยานุโยกจำความคงเคยได้ยินคําคํานี้ก็มีน้อยนะครับพระอุตจ้าไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าใช้คำว่าชากริยานุโยกหมายความประกอบความเพียรด้วยความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นการใช้สติอยู่ในกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรก็ได้หรือแม้แต่กากลาง แ้วก็ต่อเนื่องกันไปประกอบความเพียรด้วยความตื่นตัวหลับเท่าที่จาเป็นคือเป็นความต้องการของร่างกายแน่นอนเราต้องหลับเพราะว่าใจกับกายในยเขาอิกอาศัยต่อกันอะไรกันถ้ากายไม่พร้อมเนี่ยจิตก็ไปไม่รอดเหมือนกันเพราะงั้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่า ไอ้ตัวจีน้ำพิทาเนี่ยจริงจริงระดับชาเนี่ยคือตัววิตกตัววิตกคือการเดียวนึกตรึกนึกถึงอะไรก็ได้ดึกถึงแค่ดีนะนึกถึงสิ่งที่ ด, ดีไม่ใช่ว่าไปตึกนึกเรื่องที่น่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจมันแก้นิ้วอนตัวนี้ไม่สร้างหนี้วอนอีกตัวหนึ่งก็คือการมฉันอันนี้ก็ต้องระวังเราเรามีสำนวนสมัยใหม่ก็คงไม่ใช่สมัยใหม่นะคงพูดกันมาก็เรียกว่าโรคแทรกซ้อนหรือโรคที่กล้เคียงมันเกิด รักษาตรงนี้หายแต่มันไปไปไปโผลอีกตรงหนึ่งปัญหาตรงนี้ยเรื่องบางเรื่องที่ที่เราพูดเนี่ยเราเห็นว่าเราจะมองในแนวใดแนวหนึ่งเช่นว่ามาตรการยากตัวอย่างว่ามาตรการพักได้แล่มีคนการเสนอใช้วิธีการที่รุนแรงคือเราทำรุนแรงกับใครอะ่ะ มันต้องชัดเจนตัวคนทำผิดต้องชัดเจนคนไม่ผิดเนี่ยไปทำรุนแรงไม่ได้เดี๋ยวมีคนผิดเราตอนน้องนึกว่าทำไมเขาถึงผิดมันไม่ได้ใช่มาตรฐานเดียวกันอย่างที่บอกว่าส่วนมากป็นเยาวชนก็ถูกบ้าเมาถูกล้างสมองถูกอ อ, อะไรล่ะถูกบังคับไปสาบานอะไรแต่ไรตามความเชื่อถือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสะสมจิตสันดานนะและ้วไปเรื่องสะสมจิตสันดานมา แล้วก็จุดแข็งมันถูกพริกให้เป็นจุดอ่อนอันนี้คือเรื่องสำคัญว่ามนุษย์เนี่ยอย่าลืมนะว่าจุดแข็งของมนุษย์เนี่ยคนฉลาดเนี่ยก็ทำเป็นจุดอ่อนได้ถ้าเราดูตัวอย่างง่ายๆว่าการต่อสู้กันขนาดใหญ่ยกยกตัว อ, อย่างเรื่องรามเกียรติเรื่องรามัเกียรติในการรับหอกโมกกรสักของกลุ่มพักกันเนี่ยถือว่า ถ้าทำสเรจ็จเนี่ยจุดที่จะเป็นจุดแข็งของกุมภกรันแต่ว่าในขณะเดียวกันกุมภกรันก็มีจุดอ่อนอยู่ที่คนที่รักความสาาะอาดแล้วในแผนที่อนุมานกับองคตก็ไปทำเนี่ยก็กลายเป็นหมาหน้ามีกาจิกหมาหน้าลอยมามุ่งไปที่รับหอกมกษัตริ์เลยกุมภ ก, กรกนกันก็เลิกเลยเยห็นไมไม่ประสบความสาเร็จ จุดแข็งกลายเป็นจุดอ่อนนั่นเองหรือว่าทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ที่บำเพ็ญตบะก่อนที่จบเรื่องลำเกียรน่ะานุมานไปใช้สารพัดวิธีทำให้ทศกัณฐ์โกรธเพราะถ้าโกรธแล้วไอ้บุตรราจะเสื่อมพิธีกรรมต่างๆเนี่ยจะจะล่มสลายเลยทำาไม่ไม่เกิดผลว่าจุดอ่อนเนี่ยอยู่ที่โกรธแต่ว่าจุดแข็งเนี่ยอยู่ที่ไม่โกรธ ทีนี้ทำยังไงวะไอ้พริกหุดแข็งนี้ให้เป็นหุดอ่อนมันก็ต้องหาหาจุดใดจุดหนึ่งนี่เข้ามาใช้เซอนุมานใช้สารพัดวิธีศพประมาณก็แล้วรูกมินก็แล้วถล่มทั้งหลายก็แล้วสารพัดโขขัวก็แล้วสารพัดเลยไม่กรดในสุดฮานุมานก็ไปเอานางมนโฑมากระทําย่ํายีต่อหน้าเรืมอมานุมานใช้นางมนโฑสองสามครั้งแล้วนะฮะ เอาไว้นทศกัรฐ์มันเป็นความพยาบาทที่สะสมเลยตาบากก็แตกแล้วก็ไม่เท่าไยก็ตายเพราะในการการมองปัญหาต่างๆเนี่ยคือถ้าเรามองแบบชงชาญเนี่ยชงชาญง่ายแล้วก็ถามมาต่อไปล่ะว่าถามมาต่อไปล่ะต่อไปล่ะต่อไปล่ะต่อไปล่ ะ, ละก็ถามไมเรื่อยๆคืออย่าลืมนะว่าการทําอะไรกับคนเนี่ย มันต้องออกมาในรูปของการสร้างสารรพัฒนาแล้วก็เพื่อความเป็ดนดังนันเดียวกันถ้าทำให้เกิดความรุนแรงแล้วก็ในสุดมั น, มนก็ถ่ายทอดเป็นมรดกบาปอย่างหนึ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นในสังคมคล้ายๆก็เหตุการณ์ทางตอวนออกกลางนะฮะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้พวกนี้ทะเลาะ ก, กันนานะเกิด พันกว่าปีแล้วมั้งทะเลาะ ก, กันอยู่เนี่ยคนตายไปกี่ร้อยรุ่นแล้วก็ไม่รู้ยังฆ่ากันอยู่เลยเอาความหลังขึ้นมาพูดเพราะนั้นวิธีการจะต้องจะต้องมีลักษณะไม่รุนแรงทำทำยังไงนั้นก็เป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดแต่สรุปว่าถ้าใช้วิธีการรุนแรงเนี่ยมันจะกลายเป็นกระบวนการของเวร ที่พระเจ้ญญาทงแสดงว่าเวรจะไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่จะระ ง, งับไปด้วยการไม่จองเวรหมายความยังไงหมายความว่าจะต้องไม่ไปเพิ่มเชื้อพวกเนี้ยพวกโลภะพวกเอะกามฉันพวกพยาบาทต้องไม่เพิ่มเชื้อมันแต่เพิ่มเชื้อมันมันก็กลายไปรักษาโรคแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนแล้วก็เป็นโรคเรื้อรังทีนี้ยากแล้ว ปัญหาว่าแก้กันชั่วลูกชั่วหลานปู่ย่าตายายสร้างปัญหาไว้ลูกหลานมาแก้แก้ยังไม่จบเพระาะในนี้ที่จริงสังคมพุทธเนี่ยทางกูพูธมันน่าจะเอาอะไรมาคิดเอามาพินิตพิจารณาแล้วก็ตัวอย่างที่เป็นหลักสมัยโบราณเนี่ยที่จะทำประสบความสมเร็จมาเนี่ยมีเยอะมากอะ น, นะ เพียงแต่แปลกที่เราไม่ชอบเอามาใช้แล้วก็ใช้วิธีการที่คล้ยคยคยคอยอายๆกับหาันสีข้างให้พระพุทธเจ้าเพรา ะ, ะั้นเราจะเห็นว่าไอท้ที่น้ำมิทะในแก้ดีไม่ดีก็อย่าลือ ม, มามันจะไปออกนอกมือนกันอุบายวิธีของพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งนี้มันมาจากอาหารที่มาก เหตุเกิดเนี่ยอาหารที่มากคือรับประทานอาหารมากเกินไปตัวอาหารมากนียน่ยุ่งนะคือถ้าแก่มากเนี่ยมันจะง่วงมันจะเกิดทินามิทะแล้วพอมันย่อยไปแล้วเนี่ยมันจะไปเพิ่มพลังความต้องการทางเพศเลยเกิดนิวรณ์สองข้อเลยทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าอาหารมันน้อยมันก็เกิดนิวรณ์อีกข้อหนึ่งข้อแรกครือกุกุจจะคือรำคาญหงุดหงิดรำคาญ แล้วพอหิวมากๆก็กลายเป็นโทสะพยาบาทเอาเปิบนิวรณนในสองข้อล่ะ ว, วันวิธีการตรงนี้เราจะเห็นว่าแนววิตกนี่แนวตรึกนึกถ้าเราตรึกนึกไม่ดีมันก็จะเพิบนิวรณ์ข้ออื่นเช่เราตรึกนึกด้วยความคาดพยาบาทอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มันก็ไปไปนิวรณ์อีกข้อหนึ่งตรึกนึกต้องลดกิเลสข้ออื่นด้วยไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาสร้างปัญหาแก้ปัญหาสร้างปัญหา แต่ว่าต้องหมดปัญหาไปหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยลดความรุนแรงลงไปในสังคมมนุษย์มน ห, ห, หมดปัญหาไม่ได้เพราะสังคมมนุษย์มนุษย์ก็คือมนุษย์เท่านั้นเองทีนี้คนมันเกิดมาใหม่ทุกวันน่ะยังไงเราก็แก้ไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาดแต่คนรุ่นที่มีอยู่ผมก็แก้ไม่ได้ทั่วถึง ตรงนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าใช้กรรมเราเลยเอาเราก่อนนะอย่าเอาคนอื่นนะดูที่จิตเราเลยเพราะฉะนั้นอนิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นทีนะมิถานิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจะสงบได้ด้วยวิตกที่เป็นกุศลคือการเหนียวนึกถึกด้วย ก, ก, ก, การสาธยายการท่องบุญการอะไรๆต่างๆนี่แต่ระระ ง, งับไปได้ตราบเท่าที่รสชาณยังมีอยู่ เันถาวรไม่ได้เหมือนกันทีนี้คนจะดับเขาขาดเนี่ยมันก็ต้องระดับพระอรหันต์แล้วไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเพราะนั้นว่าที่ดมีทาชี้ลาดับไปแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกด้วยประการใดต้องรู้ด้วยประการนั้นเนี่ยมันต้องมือระดับโน้นล้วมือระดับพระอริยะระดับพระอรหันต์แล้วพระหันท่านมีสติเรสติวิปุโล เป็นการสงบได้อย่างเด็ดขาดแม้แต่หลับท่านก็หลับจะมีสติหลับหลับจะมีสติแล้วก็สามารถสั่งตัวเองได้หลับท่านนั้นท่านนั้นท่านนั้นนี่หลับท่านนั้นแล้วก็เต็มอิม่มเพราะเราจะเห็นว่าคนที่ฝึกจิตมันดีเนี่ยจะมีเวลานอนน้อยมันนอนไม่มากแต่จะอยู่ที่การฝึกจิต ข้อต่อไปคืออุทธัจกออักกุจจะแปล ว, ว่าความฟุ้งซ่านความรําคาญจนถึงจุดหนึ่งเราเห็นว่าฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นอาการของโมหะพอรําคาญในชักจะเป็นโทสะก็ให้ดูให้รู้ว่าถ้ามันเกิดปรากฏอยู่ก็ให้รู้ว่าในขณะนี้อุทธัจกออัจกออจกุจจะมันเกิดคือทั้งสองสองข้อหรือเปล่า โรคฟุ้งซ่านเฉยเฉยหรือว่ารําคาญด้วยฟุง้งซ่านมากๆเราจะเห็นว่ารําคาญนะโรคฟุง้งซ่านมากๆคิดมากๆไปแล้วนอนไม่หลับกระสับกระส่ายหงุดหงิดรําคาญรำคารตัวเองแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ทีนี้ถ้าไม่มีอยู่ก็ให้รู้อยากที่บอกไว้ว่าตรงนี้แนวเดียวกับจิตานุปัสสนาหมายความมาดูจิตที่มีกิเลสกับไม่มีกิเลสถ้ามีกิเลสก็หาทางแก้ ถ้าไม่มีกิเลสก็ประคองไว้รักษาไว้ทำยังไงจะดำรงอยู่ได้นานกุศลอะไรก็ได้ให้รักษาจิตไว้ก็แล้วกันทีนี้อุทาจจักจกุจจัที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันจะเกิดเกิดขึ้นมาได้ยังไงเขาเรียกว่าเกิดมาจากเจตโสอวุปสมะคือจิตมันไม่ยอมนิ่ง พอธรรมชาติของเขาก็เป็นอย่างนั้นจิตก็ไม่ยอมนิ่งแล้วไม่ยอมสงบอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ดิ้นอะดิ้นรนกวัดแแบ่งห้ามยากรักษายากมักตกไปในรมที่ชั่วเพราะฉนั้นไปจะอุปมาจิตเนี่ยเหมือนมือกระลิงบ้างเหมือนกับอะไรลูกโคบ้างเหมือนกันลก บ, บกลูกสัตว์เล็กๆที่มันซนอะจิตดิ่ง มือนก็ทงอยู่ปลายเสายอดเสาเหมือนใบไม้พริ้วไหวหไปตามแรงลมเพราะธรรมชาติมันแกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้ถ้ามีเหตุปัใจจัยให้เกิดอาการเหล่านี้โดยเฉพาะความฟุง้งซ่านบางอย่างไอคิดมากบางอย่างมันก็มาจากเราไม่รู้ไม่เข้าใจเช่นสมมติว่ามันมีคำถามไม่ตอบ เราไม่ชัดเจนเราคิดมากคิดไปอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดไปอย่างโ น, น้นบางทีก็คิดตัวเองลงมือตัดสินเสร็จเลยวินิจฉัยเสร็จเลยตัวเองก็กลายเป็นศูนย์ของความถูกต้องไปคือแปลกที่ว่าความคิดที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่มีมาตร คื อ, อยังนึงกว่าถ้าสังคมเราใช้มาตรฐานนะฮะมันเข้าขั้นมาตรฐานพอสมควรอย่าไปเอาร้อยเเลยนะเอาขนาดมาตรฐานทางด้านสังคมเนี่ยตัวนี้มันเป็นข้ออะไรแต่ยกตัวอย่างยกยกตัวอย่างวาปัญหาที่มันมีความขัดแยง้งเรื่องอะไรอแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยคือเรายิ่งอ่านยิ่งงงอะ ที่ ง, งานยิ่งงว่าเอ๊ท่านพูดเรื่องอะไรอะเนี่ยคือสับสนหมดสับสนหมดว่าอะไรที่ท่านต้องการเนี่ยคืออะไรอะไรที่ท่านคิดว่าถูกต้องแล้วตัวนี้มันเป็นปัญหาเรื่องอะไรคือเราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาข้อกฎหมายกับปัญหาข้อเท็จจริงเพราะนั่นคือเรื่องทำไม่ได้เลยไม่เกี่ยวกวับทำไม่ได้นะถ้าจะถือว่าเกี่ยวกวับทำไม่นด้ก็คือว่า คนเหล่านั้นต้องเป็นพระตั้งนั้นเองทีนี้การเป็นสังกราชเนี่ยเราจะเห็นว่าสมัยหนึ่งเนี่ยเอาพระธรรมดาขึ้นมาในตั้งเป็นสังกราชพระอาจารย์ศรีสังกราชองค์แรกลน ก, กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือถุกถอดสมณศักดิ์มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากก็รับการสถาปนาพระเดียวเป็นสังกราชเลยมันเป็นพระราจอำนะ เป็นอำนาจของบ้านเมืองที่จ่ายใครเป็นอะไรก็ได้เป็นอำนาจของสถาบันประมากษัตริย์โดยเฉพาะนฮะแต่ว่าเป็นอำนาจตามกฎหมายเมื่อก่อนเนี่ยพระบรมราชธรสพ ร, รัชสมราคองการเป็นกฎหมายเลยตอนราชาธิปไตยเนี่ยแต่ว่าทีหลังเนี่ยมันก็มีกฎหมายกฎเกณฑ์กำหนดเอาไว้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ที่จริงแล้วก็ มันไม่ได้ยากต่อการทําความเข้าใจาแล้วก็อยู่แถวเนี่ยแต่มาตราเจ็ดมาตราแปดมาตราเก้ามาตราสิบในนะาเกเกสังเนตไดก็มีอยู่สี่มาตราท่านเองนี่นทําไมมันยุ่งกันจังนี่คืออะไรคือว่าเพราะจิตมันไม่นิ่งเลยไม่รู้เรื่องอะไรที่ท่านพูดเดี๋ยพูดเรื่องอะไรเราไม่เข้าใจเลยและเราสังเกตว่าพระเป็นแสนแสนเนี่ยท่านไม่เข้าใจอ่ะว่าพระเหล่านี้เพื่อนไหวเรื่องอะไรกัน ทำอะไรกันนึกไม่ออกเพราะว่าเราเรียนเรื่องเหล่านี้พระราชบัญญัติเนี่ยเป็นเรื่องที่เราศึกษานะฮะเราศึกษาเราเอามันเรียนตัก็ออกศูนย์ห้ามาก็ต้องออกมาทําความเข้าใจปัยสิบสี่มาก็ต้องมาทําความเข้าใจแล้วก็มีการเข้าหลักสูตรอบรมนะฮะเรียนรู้เรื่องพระราชบัญญัติเนี่ยต้องมีวิทยากรมาอธิบายพระราชบัญญัติ เราเราจะต้องปฏิบัติตามนั้นเรียนนะว่าถ้าเราเข้าใจเรามีการศึกษาเรียนรู้มีความเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะไม่ฟุ้งเรเรื่องนั้นเนี้ยล้วจะเข้าใจทันทีก็ยังไม่เห็นมันผิดอะไรเพราะว่าเอากฎหมายเข้าไปจับข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ข้อกฎหมายกําหนดไว้อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันสัมพันธ์กันระหวังข้อเท็จจริงข้อกฎหมายก็คือถูกต้องถูกต้องตามกฎหมาย ไม่จะถูกต้องตามใจใครว่าถูกต้องตามกฎหมายแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าต้นต้นเหตุ ท, ที่จะแก้สีดมิถะเนี่ยมีอย่างหนึ่งคือปูสูตรคือถ้าเราเข้าใจเราชัดเจนแล้วเราจะไม่สงสยัยแล้วจะไม่ถกเถียงแล้วสามารถจะคือใช้มาตรฐานต่างๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมาตรฐานของวินัยตรงนี้มาตรฐานของธรรมะตอนนี้เป็นเรื่องประเภทณีตอนนี้เป็นเรื่องความเชื่อ ก็ต้องยอมรับเขาก็เชื่ออย่างนั้นก็สมัคใจเชื่ออย่างนั้นก็ปล่อยเข้าไปเราเอามาตรฐานอื่นไปวัดไม่ได้เราถ้าเรื่องความเชื่อก็คือความเชื่อคุณเชื่ออย่างนั้นคุณสมัครใจจะเชื่ออย่างนั้นก็เชื่อไปเป็นมาตรฐานทางรื่อความเชื่ออย่างนี้ยังยกยกตัวอย่างว่าพระเจ้าสร้างโลกอย่างนี้ยเป็นเรื่องความเชื่อ ถ้าถามว่าใครสร้างสร้างยังไงสร้างกับอะไรสร้างเมื่อไรอะไรต่างต่างเนี่ยคือว่าเอาใครสร้างมันก็ตายแล้วหาทางออกไม่ได้แล้วเพราะเราเคารพเขาว่าเขาเชื่ออย่างนั้นก็เชื่อไปแต่ความเชื่อตรงนี้เป็นเน็แล้วก็ทําความดีไหมถ้าเป็นเน็ตแล้วเขาทำความดีมันก็ไม่เสียหายอะไรเน็ตเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีหรือไม่มี กิอยาที่เคยยกตัวอย่างวันก่อนนะเรื่องกราบท้าสามีก่อนนอนของคนโบราณไม่ใ่นคนเดียวเนี่ยทีนี้พอเราใช้สิทธิเสรีภาพขึ้นมามันก็ยุ่งอะ่ะมันกดพลเรื่องเดียวกันได้คือสิทธิเสรีภาพนั้นมันเป็นกฎตามธรรมชาติแต่วันนี้มันเป็นระเบียบของสังคมเป็นหลักการอยู่ร่วมกันภายในสังคม ก็หมายความเป็นเรื่องการสะท้อนคุณธรรมสิทธิเสรีภาพที่จริงมันไม่ได้มากอะไรหรอกเราก็ใช้มันยุ่งๆไปงั้นเองคนเราเดินไปเหยียดผ้าคนอื่นมาก็ละเมิดสิทธิคนอื่นแล้ว เ, เดยเห็นว่าสิทธิเนี่ย ม, ม, มันถนนยิ่งแคบรถยิ่งแน่นเนี่ยสิทธิเสรีภาพของเรายิ่งแคบเราเฉียวคนอื่นก็ไม่ได้ชนคนอื่นก็ไม่ได้ถอยหน้าก็ไม่ได้นะไปก็หน้าก็ไม่ได้รถติด เราก็ใช้สิทธิที่เราเท่าที่เท่าที่เราจะใช้ได้ก็คือจอด เ, เพื่อนนิ่งๆเราก็นิ่งๆอยู่ด้ทีนี้เราก็เลดิดอ่ะเราคิดโอ้ยคล้ายๆกับเรายิ่งใหญ่ต้อจะทําอะไรก็ทําได้อย่างสื่อสารมวลชนเนี่ยบางทีคือแกคิดว่าแกสามารถเสนอข่าวได้ทุกข่าวมันเป็นเสรีภาพของสื่อสารมวลชนคือเราเรียกเราเองได้ยังลบพูดเองมันไม่มีกฎหมายที่ไหนไปยอมรับไว้ขนาดนั้นหรอก ถ้ากดบัญยอมรับก็แสดงว่าผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติคือเรื่องบางเรื่องนี่เขาไม่พูดพรพูดแล้วมันเกิดความเสียหายมันเกิดความแตกแยกมันเกิดความเสื่อมเสียเขาไม่ทำเขาไม่พูดก็หรอกไม่ใช่สิท ธ, ธิเสรีภาพเห็นไหะลักษณะความฟุ้งซ่านนี่จริงมันเกิดมาจากการข า, ขาดการเรียนรู้การทําความจากความเข้าใจทั้งโครงสร้างทั้งระบบของสิ่งเหล่านั้น มันถามว่าเมื่อไม่ไม่เกิดเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรพิ่นมิทาที่ยังไม่เกิดมันเกิดไปจากอะไรบอเกิดมาจากการที่จิตมันไม่ยอมนิ่งจิตไม่ ย, ยอมจดจ่ออยู่ในที่ใดที่หนึ่งเพราะอะไรเพราะเราไม่มั่นใจเราไม่มั่นใจเราก็สับสนสับสนว่าในสุดเราไม่รู้ได้ทำอะไรองเรื่อ ง, องตัวนี้คือเรื่องอะไร เราลองสังเกตว่าอักษรวิ่งต่างๆอักษรที่เขามีที่หน้าจอโทรทัศน์ในกรณีที่มีการอภิปรายมีการชี้แจงเรื่องอะไรเนี่ยคนจะแสดงความเห็นกันเยอะจะมีคนเคยเขาเรียกอะไรโหลดอินเทอร์เน็ตอะไรมาอ่านก็นึกอ่านแล้วก็ขำโอ้โหสังคมเราเนี่อ่อนแอมากแล้วก็พูดได้ทุกเรื่องแต่ไม่เข้าใจทั้งระบบของมัน เรื่องเราไม่รู้่แต่เรื่องศาสนาเนี่พอตอบได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยคุณยังไม่เข้าใจในตอนนั้นลาดับขั้นตอนตอนนั้นตอนนั้นคุณยังไม่เข้าใจในสุดมันมันถ้าวิธีแก้ก็ต้องมีการศึกษาเรียนรู้เขาเรียกว่าเจตโศวุปสมะคือทําจิตให้สงบทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยมันสงบไม่ได้มันสงบไม่ได้หรอกมันต้องการชัดเจน ในแต่และเรื่องเนี่ยมันต้องไม่ต้องความมีมีความเข้าใจมีความชัดเจนแล้วก็จะไม่ฟุง้งคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆข้อสอบตัวช้อยตัวเลือกสี่ตัวเนี่ยเราชัดเจนว่าไหนคือถูกเราขีดได้ทันทีปับ๊บปั๊ับขีดได้เอามากเคยออกออกข้อสอบแล้วปกติกมาจะออกข้อสอบร้อยร้อยข้อนะเป็นการเติมคําในช่องว่างยี่สิบข้อ แต่ว่าแต่ละข้อเนี่ยก็มีสองมีสองคำถามก็สรุปว่าตรงเนี้ยสี่สิบแล้วก็มีการเขียนเรียงความไปสามสิบข้อให้วินิจฉัยเพราะว่านักศึกษาต่อรอต่อไปเนี่ยมันมีหน้าที่รับสารแล้วต้องวินิจฉัยสารให้ได้ ต, ต้องชัดเจนในสารนั้นเราก็ถามพลิกแพผงไปเร่่่ย่่่่่่่่ก็จะมีตัวเลือกออ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ คือเราให้หนักศึกษาตอบตอบต้องคิดเร็วตัดสินใจเร็ ว, เ, เ, รวเวลาไม่เท่ากับร้อยข้อเราจะให้ประมาณแปดสิบวินาทีถึงคิดข้อหนึ่งนาทีไม่ได้แต่เราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ก็เร็วฮนะกะทํา ไ, ไ, ไม่กี่ินาทีกะทําได้แหละเห็นปั๊บตอบปุ๊บเป็น ป, ปั๊บตอบปุ๊บเป็นปั๊บตอบปุ๊บเลยอ่านจบอันจบเขียนได้เขียนได้ปุ๊บเลยนี่ก็คือการว่า ถ้าเราชัดเจนแล้วมันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่พูกงมันนิ่งมันไปเลยการทำใจสงบมันต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้ถ้าเรามองตั้งกตคำถามเคือมารู้สึกชื่นชมรายการวันจันอย่างไร้ยดียงที่ถามเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อย คือคือเรื่องง่ายเกินไปไม่ถึงกง่ายเกินไปแต่บางทีเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องของความอยากรู้แต่ว่าคือตอบไปแล้วบางทีเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเกิบมาเลยคือสงสัยเหมือนเดิมช่นถามเรื่องกลับเรื่องกันเรื่องอสงไขยเรื่องอะไรต่อะไรต่างๆนี้ตอไปก็ทานนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปพิสูจน์ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราก็อยู่ไม่ถึง เราก็ตายไปก่อนแล้วตอนที่มันถึงกลับถึงการ น, นั้นเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ถ้าต่อไปแล้วก็คือสงสัยต่อสงสัยต่อแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือว่าผู้ชายเนี่ยจะถามกว่ามากกว่าผู้หญิงซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ควรแก่การรโมทนาหมายความผู้ชายหันมาสนใจธรรมะเพิ่มขึ้นสนใจเรื่องศาสนาเพิ่มขึ้น แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามีคนฟังเท่าไหร่นะฮะรายการนี้มันก็ไม่แน่ใจมีคนฟังเท่าไหร่เหมือนกันทีนี้อุทธาจากักุกุจจะที่มันเกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยประการใดก็รู้ด้วยประการนั้นถ้าละได้ระดับทั่วไปนะระดับทั่วไปหมายความว่าสงบหรือสยบ ด, ด้วยพลังของสมาธิเนี่ยพวกนี้มันแก้โดยสมาธินะฮะแต่ว่าตัวที่จะส ง, งบเขาได้เนี่ยมันระดับฌานโดยรูปฌานองค์ของฌานองค์ของปรมฌานข้อเราจะเห็นว่าปิติวิตกวิจารปิติสุเอกาตามันตัวสุปึงจะส ง, งบพุทจักกุบุจจะได้ให้เราสังเกตถ้าเราสบายเรารู้สึกสบายเราจะไม่ฟุ้ง เช่รับประทานอาหารถูกปากเนี่ยมันก็จะอยู่กับตรงนั้นอย่าไม่คิดไปทางไหนแต่ถ้าอาหารไม่ถูกปากเราจะจะเดี๋ยวฟุ้งนะคิดฟุ้งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้สุกแต่อย่าลืมว่ามันสุกเฉพาะในสมาธิในฌานออกมามันก็ฟุ้งต่อก็แสดงว่าสงบหรือสยบมันไม่ใช่ดับเรายังดับไม่ได้เพราะะนั้นคนที่จะดับ กุกุจจะได้ก็คือนนั่นนะคือคือพระอนาคามีกุกุจจะก็คือปฏิฆานะแต่ว่าอุทัจะเนี่ยพระอ า, าราคามีเอามาอยู่นะมันเป็นสังโยชน์ที่ละเอียดพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเป็นสังโยชน์วันคนที่จะดับสังโยชน์ข้อนี้ได้ก็คือพระอาหารหันต์เท่านั้นเองสังโยชน์ห้าข้อสุดท้ายเนี่ยคือรู ป, ปรคาคะรูปรคาคะมานะอุทะจาวิชาห้าข้อเนี้สังโยชนระดับสูง พระอรยบุคคลสามระดับแรกระดับไม่ได้มันก็ดับได้ที่ที่อนาคามีไอ้ไม่ใช่อรหัตมั ก, ก็เรื่องใหญ่า ง, งั้นก็ทำยังไงว่าสงบความฟุ้งซ่านได้บ้างคือยังยังนึกถึงว่าเรื่องอะไรก็ตามนะถ้าไม่เข้าใจนี่ถามได้ไหมอย่าไปพูดเลย อย่าไปคิดเอาเองอย่าจินตนาการเอาเองอย่าไปตีความเอาเองแต่มาว่าในกรณีของการแต่งตั้งผู้ิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชที่จริงเนี่ยนะฮะผู้ไปบัติหน้าที่ตรงนี้นะฮะมันมันมีอยู่สองคำนั่นเองหน้าที่ในตําแหน่งประธานกรรมการมหาสมาคมแต่นั่นเองทําแทนนะฮะ แล้วก็ที่แทนเนี่ยแทนตอนเป็นประธานเนี่ยที่ไปชุมมันมาแทนมาทุกคราวแหละที่ที่ขวบบาทไม่เสด็จลงเนี่ยมาแทนมาตลอดนะตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันเป็นงานปกติงานรูทีนธรรมดาเนะทีนี้ในกรณีเนี่ยแทนในกรณีที่ต้องลงต้องลงนามเอกสารซึ่งก็นานๆ น, น, นะฮนะจะมีสักแคบหนึ่งมันไม่ใช่แทนความเป็นสังกาชแต่แทนตัวงาน ทำงานแทนพวกแกบอทำงานแทนน่ะไม่จะแทนคล้ายๆกับองค์มูลีเ อ, อไปปฏิบัติหน้าที่แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ไม่จะแทนในความเป็นพระเจ้าอยู่หัวแต่แทนในความในงานตรงนั้นทำงานแทนเฉพาะตรงนั้นเท่านั้นที่จริงมันไม่มีเรื่องอะไรซับซ้อนมันก็แทนกันทุกวันนะเราอย่างน้อยมีข่าวแต่แทนเนี่ยประบรวงสารวงสเสด็จแทนพระองค์ก็เยอะนะ ไม่ใช่เป็นแทนนะทำแทนต้อเข้าใจว่าทำแทนทําหน้าที่แทนคือถ้าเราเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันมันจะไม่ยากแล้วก็อ้างว่ามีสังกราชองงสังกราชองง์ในสังกราศ ง, งกาเกิดขึ้นโดยโรวมราชองการมันมันไม่มีหรอกเพราะว่ามาตราที่เจ็ดเนี่ยบอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงสถาปน า, าสมเด็จพระสังกราชพระองค์หนึ่งอันนี้นเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึนตอนสามส้า เมื่อก่อนเนี่ยใช้คำว่าสังกราเชเฉยๆมันก็มีเงื่อนไขในพูดตีความวจาให้มีสังกราชทั้งสองนี้กายแต่ก็มาถึงรัฐบาล น, าน้นๆเ้าก็เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ว่ามีองค์เดียวเพิ่มขึ้นมาคำเดียวนะฮะพระองค์หนึ่งนะฮะเกิดด้วพระองค์หนึ่งทีนี้ก็ตั้งผู้ปริัติหน้าที่แต่มันก็ตั้งตามความในมาตราที่สิบตั้งความในมาตราที่สิบแล้วก็ คนที่ลงนามเนี่ยเป็นคนทาหน้าที่ประกาศไม่ใช่แต่งตั้งเนียกที่จริงมันมันมันเรียกมันไม่ยากตรงนั้นถ้าเราทําความเข้าใจแล้วก็ความฟุง้งซ่านเนี่ยมันมันจะสงบออไปเยอะแต่ถ้าเรายังสับสนยังยังไม่เข้าใจยังฮิรสภ า, าลากกันไปแล้วก็ยุ่งอ่ทีนี้ประการต่อไปนี่วรรขขสุดท้ายคือวิจิกรศา วิจิตรฉา้นก็เป็นอาการของโมหะเช่นเดียวกับทีนามิไอเช่นเดียวกุธจารนะเป็นอาการของโมหะในกันมันเป็นความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจตัดสินใจลงไปไม่ได้ในหลายๆเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เราเห็นมามันมีอยู่แปเรื่องแต่บันจะครุมโลกทั้งปวงเอาไว้หมดแล้วนะฮะคือ สงสัยในพระพุทธเจ้าในประธรรมในพระสงฆ์ในใจติขาในอดีตในอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปัจจัยการครอบคลุมหมดแล้วนะฮะครบคลุมหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือทีนี้ไอความสงสัยเหล่าเนี้ยเราจะเห็นว่ามันถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นอายุนิสโสมนิการคือเราไม่ใช้ความคิดเราไม่มีข้อมูลในการคิดในการตัดสินในการวินิจฉัย ถ้าเรามีข้อมูลมากพอเนี่ยเห็นว่าตรงตรงนี้มันก็อยู่ที่ขาดห ล, าลักพหุสูตรคือขาดห ล, ลักการศึกษาเรียนรู้เหมือนกันอะไรก็ตามที่เราไม่แน่ใจเราก็สงสัยทั้งนั้นเนี่ยมีเยอะที่เราสงสยัยเรื่องบางเรื่องก็ต้องไปศึกษาเอกสารต้องหาเอกสารต้องซักถามต้องสอบถามเพราะฉะนั้นทูตศานาจึงสอนหนึ่งธรมนะธรมา ก, าการเรนะียนธรรมะสารกัจจการเรียนธรรมะสาวางังเห็นไหมสนธนาการตามการ ฟังธรรมะตามการก็ไม่ใช่ธรรมะอย่างเดียวอ่านก็ได้สนทนากันก็ได้อะไรก็สื่อต่างๆเรียนรู้เยอะไปแต่สรุปว่าต้องมีข้อมูลในการคิดถ้าเราไม่มีข้อมูลในการคิดเราก็เรียนโยนิโสมนติการไม่ได้มันก็เป็นอายนิโสมนติการอย่างนั้นแหละทีนี้ถ้าไม่มีวิจิตจฉะก็ต้องรู้ถ้าเป็นกุศลอย่างอื่นก็ประคองไว้อย่างที่บอกเนอะทีนี้ แต่บิกิจสาที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นอย่างใรก็ให้รู้โดยประการนั้นก็อย่างที่บอกมันเกิดด้วยการขาดระบบการคิดที่เรียกว่าโยนิสมนิการในการทำไว้ในใจโด ย, ยวิธีที่แยบคลายสมเหตุสมผล mm. คือเราต้องชัดเจนในลักษณะในหน้าที้ในตัวผลของมันและตัวกระตุน้นตัวเหตุที่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้น แต่เราไปไปเห็นเฉพาะมูมใดมุมหนึ่งมันก็พูดยากอ่ะมันจะเกิดไมความไม่ชัดเจนขึ้นมาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคืออะไรเป็นอะไรเนี่ยต้องชัดเจนนะครับถ้าเรายังไม่ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันเดินหน้าไม่ได้ะะตัวสถานะหรือตัวสภาวะตัวลักษณะของสิ่งเหล่านั้นคืออะไรอย่างวัดนี่คืออะไรอย่างโบสถ์นี่คืออะไรมันต้องชัดเจน วันก่อนเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกมีคนก็ถาับว่าพาระนี่เป็นใครอวดท้อนะอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยถามอย่างนี้เราก็ท้อเหมือนกันนะครับคือที่จริงเรื่องเหล่าเนี้ยเราก็เอาเอกสารเนี่ยมาอ่านเล็กเล็ ก, เกน้อยนะ้อนะฮะบางทีแม้เปิดดูพรจันทนุกรมเนี่ยก็อตอบได้แล้วพจันทนุกรมทุกวันในฉบับปัจจุบันในเล่มเบริ่มเลยนะ ติดอะไรก็เปิดดูก่อนมันมีด้วยคือบางทีนี่ก็ดูพระจันารในกรมพอหรือว่าสารานุกรมสารานุกรมเนี่ยเราก็หาอะไรได้เยอะกี่ยะปล่อยข้อให้ติดอยู่แล้วก็จะมีข้อมูลในการโยนิโสมริกาทีนี้ถามว่าการสงบไอวิจิกินสานิวรที่เกิดขึ้นเนี่ย สงบได้โดยวิจารน่ะก็คือโยนในสมนัยการนั่นเองก็คือวิจารณ์คือ ก, การพิจารณราไตรตรองมองเหตุมองผลคือทํำยังไงเราเอาระดับวิจารณญาณความรู้ที่ผ่านระบบการคิดการพิจารณกาการเทียบเคียงการตรวจสอบการสอบทานแล้วก็สามารถที่จะให้คําตอบได้เราจะเห็นว่าหลักการทางนี้พระเจ้าทรงใชาา้คำว่าใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบ แล้วยกย่องตำหนิหรือให้ความเคารพนับถือคนตามสมควรแก่กรรมของเขาคือชาพุทธน่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะจับหลักตรง น, นี้ว่าใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้วตำหนิหรือยกย่องหรือจะตัดสินที่จะวินิจฉัยอะไรก็ตามที่เราเราเราล่านั่งเกศที่เราขัดแย้งกันเยอะโดยโดยโดยเรื่องไม่เป็นเรื่องอะ เพราะเราไม่ได้นึกถึงไอ้ตัวสาระถะตัวประโยชน์จริงๆอ่ะอันนี้งานขึ้แผ่นดินนะไม่ใช่งานที่คุณจะมาตั้งตัวต่อสู้กันแล้วคุณไปคิดแทนไม่ได้เพราะจริงๆคุณก็ตายว่าปัญหาว่าแผ่นดินน่าจะได้ประโยชน์อะไรเราไม่ได้เป็นอะไรอยู่ตลอดอะเรานึกว่าเราจะอยู่ช่วในรันมันไม่ใช่ มันต้องนึกว่าชาติบันเมืองเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรคําถามสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นทีนี้ถ้าเราเข้าใจการคิดเนี่ยเราก็ตัดสินใจได้มองไปที่ผลประโยชน์ของชาติบันเมืองแนวง่ายๆเนี่ยแนวเรือลบในหนองเงินทองไม่ไปไหนแนวขนสายฮะข้าวัดเนี่ยแ น, แนวคิดง่ายๆไม่ต้องลึกซึ้งอะไรเพราะงั้นระดับวิจารณญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องเราใช้ได้ทุกขณะ แต่ว่าระดับของวิจารณ์ในองค์ฌานเนี่ยมันก็เกิดในขณะที่เราอยู่ในฌานออกจากฌานแล้วก็ก็ไปไม่รอดเหมือนกันเนี่ยที น, นี้เราถามราดับได้เด็ดขาดอ่ะวิจิกิชฌาที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับได้โดยไม่เกิดขึ้นมาอีกโดยวิธีใดก็รู้วิธีนั้นไอ้นี้ต้องเป็นระดับประสูบันนะวิจิกิชาที่จริงกค็คือเราจะเห็นว่าวิจิตริชฌานี่หนึงคือเราศรัทธา ศรัทธาในแหล่งข้อมูลที่ควรกก่การเชื่อถือเราก็จะความสงสัยได้หรือปัญญาเห็นนะปัญญากลายศรัทธาก็ได้เพราะนิจกิจฉาคล้ายๆจะยากแต่ก็คล้ายๆจะยากนะะแต่จริงๆแล้วพระโสดาบันเนี่ยะละได้แล้วก็เราก็ละได้เป็นจุดๆนะราละได้เป็นจุดๆ ได้เชื่อตรงนี้เชื่อพระพุทธเจ้าเราสวรรค์มีจริงไหมไม่รู้อะพระเจ้าว่าว่าอย่างนั้นเราเชื่ออันเนี้ยคือไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครแล้วเราไม่ไปสนใจอะใครว่าไงก็ว่าไปพระเจ้าว่าอย่างนี้คนอื่นคุณคุณเชื่ออย่างไงก็เรื่องของคุณแต่เราเชื่อพระพุทธเจ้าเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูคนอื่นไม่จะสัพพัญญูจะมารู้เรื่องขนาดความรู้ระดับสัพพัญญูมันเป็นไปไม่ได้ก็ตัดสินใจ ทักฟังทั้ ง, งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไพบูลย์ในธรรมจุมิเดท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี